อ๋อเ น, น, น, น, นี่ น, น, น, น, นยังไงก็ยังียังคงนักศึกษาศนย์สื่อมีพระมีเท่รในวดัดเราเนี่ยสี่สามเฮ้ยสี่สามเหรียเจ้าเหียหรอเหนี่ญสามเฮ้เหรียญสามรวมหมดเป็นสี่สิบหกเหรวยญอ๋อมันแน่นมันอัดตลอดเวลานะเราหนักใจมาก่ะ ท่าพงอกมากคุณผู้ดูแลภาระอยู่กัเราหมดเอาจะทาวัดก็ทาเยอะมากันทาวัดก็ทาเีอะตามภาระคนแก่ละตาภาษาอย่างเง้าจะทำก็ทํายอะทำอยู่ว่าจะนั่งก่อน มืออะไร่อนอานอะไรบ้างเดียนี้กินม่มาหยิดอะไรนะมันรู้สีเฉนยนะทาสัญญาอะไรจำนั่นจนี้อย่างนี้มันก็ไม่ใชเรื่อ ง, งองนะไรอืมแล้วไเอามืออก่อนคยทยํายังไงคาวัดตัวย่อเหรแล้วเข้าภาษาแล้วก่อนแล้วค่อยควัดหรือคำวัหอือ ครัง้งก่อนนะฮะยุคังครั้งก่อนเปยงว่าการทั้งหมดที่ช่วยโรกเรืงนี้ <c oughs> ผมมาเชิดเอาปยัดมาเชิยนะถ้าเอาปยัดมาเชิดเชิดไม่ได้ดไไดความจาต้องไปยิ่นกับประยัดนี่ความจําองเราไม่ออกเราจะเอาความคามมาาาําเชิดมาํากไหนล่ะ ออกไปยักคอมพิวเนั้นคอมพิวใบเนั้ยใบเนี้เรื่องนั้นเร่องนี้มันไม่ออกนะเรือความเชื่อขึ้นกับนิสัยเลยไม่ออกไปไหนปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันคนนี้มันถึงเชื่อไปได้นะูัวนี้พูด้งนี้จนไม่ต้องไหนพูดออกจากใจเลยธรรมะล้วนออกกับใจหมดทังนั้นเลยเม่ไปอ้ากยิงคอมพิวไหนคอมพิวไหนครวนี้เป็นคอมพิวตาตัว คำพบเจ้าคพีดพระหารทัานรงเต็มเม็ดเตหน่วยใจซื่อบุญสุกเ่องันจึงไม่บกพร่องที่ตรงไหนท่านขอดังนนอนโลกนะทังไมไ่เอาคำพูดคำพี่ตามคู่วันนี้อั น, นั้นเพูดความอันนี้มาคลามความจริงมันต่างกัอ น, อนนี้คู่งงแล้วเอาแต่ความจรงออกถอออกเมื่อเลยนกะพันธ์คำว่าคว่าอแล้วก็อภาษา เขาก็ตกตดกับการมาอา ง, งเรื่องที่เนะรืร่องฐนะานไม่ค่อยงาะรากัเรกเพิ่ติมผมเพิ่งมาังไม่รื่องเวาเลยการจับาจ่ายเดีวก็ยังไม่ไจายนะมัว่ัการเท่าไหร่นะทุ่มยี่สิบทุ่มยี่สิบเบีนั่นตนะามันไม่ได้เห็นอะไรนะมัว ม, ว, มวนะวนี้ ค <c oughs> <c oughs> อมันไม่ค่อยนั่นนะเสียงมันแหบครัที่แรกไม่ค่อยมีเสียงนะ่ะต่อไปมันค่อยค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นเท่ที่ไหนก็เหมือนกันบางทีค่าคเสล็่ยสุดจนโอ้คอจะแตกมันเหนียวมันติดคออยู่นี่ไ มันไม่เห็นนักเข็มยี 22, ่สิบสองยุสามดก็ไม่ทราบมันจะไปถึงไหนล้ะ <c oughs> มันอ่อนมดละตั ว, วันเลยนี่มันจะยินไหมล่ะเนี่ยถ้าไม่เสียงกังวานนี่มันก็ไม่กวนแต่เทศทุกแห่งมันเสียงกังวานกวนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยนะถ้ามีแต่เสียงเราออกล้วนๆมันกา เต็มเม็ดเต็มหน่อยอันนี้มาสะท้อนสะท้อนเที่ยที่ไหนไม่เต็มเม็ด เ, เต็มหน่อยแต่มันก็ทนเอาเทือธรรชาชนฟังแจงหม้อใหญ่อย่างว่าให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่เต็มไม่ว่าทำขั้นไหนเสียงอันนี้มันกระทบมันกวนใจมันจะออกพุ่มพุ่งเต็มเหนียวนี่เป็นการเข้าพรรษา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 ไม่ว่าอยู่ที่ไหนความภาคเพียรเป็นสำคัญตลอดเวลาสำหรับพระในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นเวลานี้าศาสนาจะยังเหลือตั้งแต่ตัวหนังสือยังเหลือเหลือแต่คำพีนะขอให้เราทั้งหลายได้สำนึกรู้ตัวเสีย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 ปียาอาการคำพูดคำจาความเคลื่อนไหวไปมาของพระเลยไม่มีเหลือติดเนื้อติดตัวสตินนิดหนึ่งที่จะดูหัวใจคิดปรุงแต่งไปในที่ต่างๆซึ่งเคยสั่งสมกิเลสมานมนานนั้นก็ไม่สนใจ <c oughs> ยับยั้งความคิดความปรุงของตนด้วยสติบ้างเลยเรื่องปัญญาจึงไม่ต้องพูดถึงเมื่อสติไม่อยู่กับตัวแล้วก็มีแต่กิเลสทํางาน ทั้งวันทั้งคืนอียาบทไม่เลือกเรื่องการเรื่องกิเลสทำหน้าที่ของมันสั่งสมกองทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติเราเกียนพระเราเนี่ยสำคัญมากนะในครั้งพุุตการท่าน <c oughs> เป็นแบบเป็นฉบับจริงๆบวชเข้ามาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่ว่าจะ ออกมาจากสกุลใดชาติชั้นวันณะใดก็ตามเมื่อเก้าเข้ามมาสู่ <c oughs> องค์กาสะวะพัตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปิยันมาหมดความคิดความปรุงการพูดการจาริยาความเคลื่อนไหวไปมาต่างๆหมุนเข้าเพื่ออัดเพื่อทําทั้งนั้นไม่ได้หมุนเพื่อไปเป็นกิเลสเพราะท่านสลัดมาแล้ว แล้วท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อการบำเพ็ญเพื่อชำระสะสารที่เละซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านให้จานลงไปจานลงไปด้วยความภาคเพียรสติติดแนบกับตัวดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรในเอียบไตใดก็ตาม <c oughs> ถ้ามีสติ ตำกับใจอยู่เรียกว่าเป็นความเพียรทุกทุกเอียบทจะเดินจงกรมไม่เดินจงกรมความเพียรคือติตจับกันกับจิตซึ่งเป็นตัวภัยออกมาจากกิเลสปรุงแต่งออกมานั้นจับตลอดเวลาไม่ละเวน้นนี่คือผู้มีความเพียร น, นอกจากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกคลายไปในแง่ไรภูมิไรสติก็ไม่ปาา่าสจมีสติ รอบอยู่เสมอเรียกว่าเป็นความเพียนทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญากาหนดอยู่นั้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีเพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลใดสร้างตั้งแต่กิเลสเข้าสู่ภายในใจเผารมจิตใจให้รุ่มร้อนทั่วถึงกันหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านคึงไม่คิดออกไป หาเรื่องโลคเรื่องสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดเข้ามาสู่จิตใจดูจิตใจผู้ที่จะเสา ะ, ะแสวงหาผลประโยชน์ของมันด้วยอํานาจของกิเลสผลักดันออกไปนั้นอยู่ทุกขณะขณะไม่มันคิดออกไปผู้กําหนดคําบริกรร ม, รมภาวนาที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เป็นสมาธิเลยก็ให้ ถือคำบุิกรรมพออนานานั้นเป็นหลักเจนด้วยสติตั้งติดแนบอยู่กับคาบุิกรรมที่ติดกันอยู่กับพุธดกับความรู้นั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ปล่อยปะละเลยไปไหนเลย <c oughs> นี่เรียกว่าความเพียรขอให้ท่านทั้งหลายจําเาไว้ผมได้ดําเนินมาอย่างนี้เมื่อเสาะแสวงหาจุด อันตายตัวยังไม่ได้ก็เสาะพยายามเสาะที่ว่า จ, จิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะไม่รู้จักวิธีรักษาเบื้องต้นจิตก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกแน่นหนามั่นคงมากแต่ก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาปล่อยใจเวลามาประกอบความภาคเพียรมันก็เสื่อมเสื่อมเมื่อเสื่อมไปแล้วดึงกลับคืนไม่ได้ เพิกกลับคืนไม่ได้นี่แหละการเสา ะ, ะแสวงหาหลักยึดที่จะเป็นของตายตัวให้ได้ดําเนินอย่างแนบสนิทมันหาไม่ได้ <c oughs> คิดไปย่นไปย่นมาจึงมาลลึกถึงเรื่องความขาดสติเพราะไม่มีคําบริกรรมกํากับใจจึงต้องได้ปากจิตใหม่เอาแต่นี้ต่อไปเราจะให้อยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียว จิตจะเสื่อมก็ตามจเจริญก็ตามเราจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยคําว่าเสื่อมว่าจเจริญเราก็เคยเห็นเคยรู้มาแล้วห้ามเท่าไรก็ไม่อยู่เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้จะห้ามด้วยพุทธโธแต่ไม่ได้กีดกันความเสื่อมความจเจริญอยากเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอยากจเจริญก็แล้วแต่จ ะ, จะเจริญแต่คําบุญกรรมนี้เกาะอ ไม่มีละเลยมี่ละตั้งเกี่ยงตั้งจงิตจตั้งอย่างนี้ตั้งแต่ขณะตัดสินใจลงอย่างนี้แล้วคำว่าพุโทโธกับจิตไม่ห่างจากกันเลยตื่นนอนขึ้นมาพุโทโธติดแนบจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยอ้ามันจะเสื่อมไปไหนก็ให้เสื่อมจะเจริญก็ให้รู้ในหัวใจของเรานี้จะเสื่อมก็ให้รู้เพราะมันเคยเสื่อมเคยเจริญมาเสียจุดอิจฉาลอาใจ บัด น, นี้จะไม่เอาความเสื่อมความเจริญมาเป็นอารมณ์นอกจากคําว่าพุโทโธคําเดียวเท่านั้นเอาเสื่อมให้เสื่อมกับพุโทโธเจริญให้เจริญกับพุโทโธเอาเท่านี้เท่านั้นจากนั้นก็จับติดบังคับจิตไม่ให้นอกเหนือไปจากคําว่าพุโทโธบริกรรมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไ ป, ไปมาที่ไหนคําว่า พุโทโธกับสตินี่ติดแนบติดแนบกันเอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นนิสัยอย่างนี้มาด้วยจริงทุกอย่างไม่มีคำว่ า, าลอยแหลวเมื่อคำบุริกรรมกับพุโทโธติดแนบกันไปติดแนบกันไปทุกวันทุกวันติดก็ค่อยสงบตัวเข้ามาให้เห็นชัดเห็นชัดคำบุริกรรมนี้ไม่ยอมปล่อยตลอดเวลาจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่า คำบริกรรมนี้เมื่อจิตเข้าสงบเต็มที่ของมันละอียดเต็มที่แล้วคำบริกรรมไม่มีก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าทําไมทีนี้ความบริกรรมไม่มีจะเกาะ อ, อะไรยึดอะไรแต่ก่อนเรายึดคําบริกรรมคือพุทโธพุทโธติด ก, กับสติอยู่ตลอดเวลาแล้วบันนี้คําบริกรรมนี้หายกําหนดยังไงให้ปรากฏเป็นคําบริกรรมขึ้นมาก็ไม่มี หมดต่อหน้า ต, ต่อตาเห็นชัดชัดแต่ความรู้ละเอียดสุ ข, ขุมมากทีเดียวตอนนั้นมีแต่ความรู้นึกพุทธโธก็ไม่ออกไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่ทราบได้ชัดว่าถึงเวลาจิตที่ละเอียดจริงๆแล้วนักนึกคําบริกรรมไม่ออกนะไม่มีเอาไม่มีก็ตามเราจะอยู่กับความรู้อันนี้สติตั้งกับคําบริกรรมเมื่อคําบริกรรมสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะตั้งอยู่กับ ความรู้อันนี้อ่าไปไหนจเจริญหรือเสื่อมให้รู้จะไม่ปล่อยจะเอาความรู้อันนี้แทนคําบริกรรมสติจับอยู่นั่นพอถึงการเวลาที่มันจะคลี่คลายตัวเองมันหักมีพอถึงเวลาขี่คลายก็ข้อขี้คลายออกมาพอนึกคําบริกรรมได้ก็เอาคําบริกรรมติดเข้าไปเลยเป็นอย่างนี้ประจำพอถึงเวลาที่มันละเลอียดเข้าไปมันก็เป็นอีก ทีนี้ต่อมาก็ค่อยทราบเรื่องถึงเวลาจิตที่ละเอียดเต็มที่แล้วนึกคาบริกรรมไม่ปรากฏจะให้อยู่กับความรู้นั้นดังที่เคยปฏิบัติมาเอ้าเป็นไหนเป็นกัน <c oughs> พอคลี่คลายมาก็ที่จะนัยเขก็คําบริกรรมเข้าไปอีกอันนี้กุดเบื้องต้นที่เราตั้งรากตั้งฐานได้จิตเจริญขึ้นแล้วไม่เสื่อมอีก <c oughs> อ๋อจิตไม่เสื่อมค่อยสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไป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 เรื่องความเสื่อมนี่ถึงสามวันเสื่อมไปเสื่อมไปคราวนี้เอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญอะไรเลยแต่คําบริกรรมพุทโธนี้เราจะไม่ปล่อยอเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยเสื่อมมาพอแล้วจนอกจะแตกเพราะความเสื่อมติดเป็นทุกข์มากที่สุดคราวนี้เราจะไม่ปล่อยะไรเสียดายกับความเสื่อมความเจริญนอกไปจากคําบริกรรมที่ติดแนบอยู่กับสติกับความรู้นี้เท่านั้นไม่สนใจ เอาขึ้นถึงนี้แล้วจะลงหรือไม่ลงพุดโธไม่ถอยไม่ถอยแล้วถอยสุดท้ายถึงขั้นที่ จ, จเจริญขึ้นไปสองสาวันแล้วเสื่อมมันไม่เสื่อมทีนี้ค่อยค่อยค่อยตั้งตัวได้ตั้งตัวได้เป็นลําดับลําลาเราก็ไม่เป็นอารมณ์กับมันมันจะเสื่อมไปไหนจเจริญไปไหนแล้วทอดอะไรตาอยากหมดแล้วนี่หนักเข้าหนักเข้ า, ขาจิตก็ค่อยแน่นหนามัมนคงขึ้นมาขึ้นมา จึงแน่ใจได้ว่าอ๋อจิตเ่าที่จะเสื่อมที่เจริญนั่นเพราะเราขาดสติไม่มีคำบริกรรมกำกับเพียงแต่กำหนดเอาเฉยๆมันเผลอไปที่ไหนก็ได้่อเหตุนี้เองจิตจึงเสื่อมบัดนี้ไม่เสื่อมเพราะคำบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลายืดอันนี้เป็นหลักจากนั้น ก, ก้าวเข้าสู่สมาธิอันแน่นหนามันคงได้เอาคาบริกรรมไม่ถอย จนกระทั่งความแน่นหนามันคงของจิตนี่เป็นจุดตั้งแห่งสติได้เรียบร้อยแล้วสติก็จับอยู่กับจุดแห่งโพลูนั่นเลยทีนี้คำบริกรรมก็หักปล่อยกันไปเองปล่อยโดยโดยความประจักษ์ตัวเองควรแก่การกาหนดกับโพลูนี้ด้วยสติแล้วก็กําหนดนั่นทีนี้ไม่เสื่อมตลอดไปนี่นี่แหละการตั้งหลักฐานของจิตเราเคยตั้งมาอย่างนี้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์ อย่างนั้นก็ไม่เสื่อมตั้งเป็นสมาธิจิตแนบแน่นเหมือนภูเขาตั้งลูกเพราะความมั่นคงของจิตในขั้นสมาธินี่เต็มภูมิก็รู้ว่าสมาธินี่เต็มภูมิเีตุการตั้งจิตในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าทำแล้วละแหละแหละโลเลโลกเล่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้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 ยินนาลอาจจะได้ลปล่อยวางงานนี้ไปเสียเอางานทุกอย่างเข้ามาแทนที่ทีนี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจไม่มีอะไรเหลือแล้วจอจิตเข้าสติเข้ามาหาจิตจอไม่ได้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายกับกิจการงานต่างๆกับโลกกระดูกสารมันดึงออกไปดึงไปทนี่จิตก็แผ่นไปตามมันเสียนี่เรานักภาวนาล้มเหลวล้มเหลวเพราะเหตุนี้เองพากันจำเอาไว้นะเพราะจอดจิตเข้ามาไม่ได้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 ปล่อยไม่ได้ฟัดกันในเต็มเหนียวเลยนะยืนเดินนั่งนอนอย่าไปสนใจยิ่งกว่าสติกับจิตกับคําบริกรรมให้ติดแนบกันเมื่อถึงขั้นที่จะถึงจิตขั้นถึงขั้นที่จิตสงบเด่นดวงแล้วคําบริกำรรก็ค่อยจางไปเองถือความเด่นดวงของความรู้นั้นเป็นจุดที่ตั้งของสติจับอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเล ย, เยนั่นทีนี้ได้หลับเข้าไปเรื่อยๆแล้ะ ความสงบนั้นก็จะแน่นเข้าไปเรื่อยเพราะสติจ่อตลอดแทนทํรบริกรรมแะแน่นแน่หนามันคง <c oughs> จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมอิ่มตัวไม่อยากคิดถึงทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเคยวุ่นวายก่อกวนเรามาเปืนนานนานเดียวพอมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่อง เ, ล, อเลี้ยงจิตใจใจก็ได้ดื่มความสงบนี้แล้วไม่คิดวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกเรียกว่าอิ่มอารมณ์ อค่นี้พาพิจารณาทางด้านปัญญา <c oughs> ปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันแยกสก ล, ลากายทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกพิจารณาไปหมดในส่วนหนังร่างกายของเราจะเป็นร่างกายภายนอกภายในได้ทั้งนั้นขอให้เป็นสติจับตลอดเวลาก็แล้วกันกายนอกคือกายของเขากรืกาย ในคือกายของเราก็ดีพิจารณาได้สำนั้นทางแยกทางด้านปัญญาพิจารณาอสุภะอสุภังอสุขังอันนี้จังนาตาถ้าเราพิจารณาร่างกายของเรายังไม่ได้ชัดเอาเอาข้างนอกมากําหนดพิณิพิจารณาเอาอันไหนมันสดสวยงามพิจารณาหาความสวยงามมันอยู่ตรงไหนเนี่อาการพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ที่คลายออกอถลกหนังออกที่คลายออก ของหนังออกแล้วเป็นยังไงมนุษย์เราเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่าเขาว่าเราว่าความสวยความงามอยู่ที่ตรงไหนไม่มีมีแต่หนังห่อกระดูกเท่านั้นแหะมันหลอกลวงโลกท่านจึงสอนว่าตะโจตะโจถึงนั่นแล้วหยุดเพราะหนังเป็นตัวสําคัญมากห่อคนทั้งคนห่อกระดูกทั้งกองห่อจับไตไสู้มิของ ก, กระโปรงทั้งพวงหนังหอ่อไว้เท่านั้นจึงมาหลอกตาบุรุษ จะ ต, ตาฟาังได้แล้วก็หลงตามนั้นเอาพี้คายออกนี่เรียกว่าปัญญาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนั้นพี่คายออกให้ชัดเจนไม่ใช่หนหนึ่งหนเดียวนะเอานี้เป็นงานพอปล่อยจากงานนี่ก็เข้าสู่สมาธิทำความสงบใจปล่อยอารมณ์แห่งของการทำงานด้วยปัญญานี่เข้าสู่ความสงบใจภาคกิตให้เป็นสมาธิ สงบใจแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ก้าวเดินออกอย่างคล่องตัวพอออกนี้พิจารณาอีกอันเก่านั่นแหละพิจารณาให้มันคล่องแท่ว่องวัพิจารณาข้างนอกเทียบข้างในพิจารณาข้างในทเทียบข้างนอกเอาหลายครั้งหลายหนจนมีความชำนิชำนาญความชำนิชำนาญ น, นี่ของทางปัญญานี่มันชัดเจนมากนะเวลาได้ชำนิชำนานแล้วมองดูอะไรนี่ขาดสะบัน้นขาดสะบัน้นนี่จะพิจารณามาพอแล้วนะอืม ดูอะไรเมื่อปัญญาคร่องตัวว่องไวแล้วนี่ดูคนนี่สมมุติว่าเราพิจารณาเข้าไปเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เอ็นกระดูกอันี้พอพิจารณาไปหนังจะไม่เห็นเลยนะมันจะพุ่งเข้าข้างในนั่นมันไม่ได้ดูหนังที่ว่าสวยงามเลยนะมันจะพุ่งเข้าข้างในพิจารณาสกุากายทุกสัตว์ทุกส่วนมีแต่ของปันกุลเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคล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 แล้วก็หลงเครื่องหรอกทีนี้เมื่อหลงแล้วก็ตื่นกำมันไปเลยเป็นเรื่องของทุกเผาตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะอืเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนะทํางานด้วยปัญญาก็เอาจริงเอาจังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตั้งขึ้นลงมาพิจารณาอีกแตกลงไปพิจารณาอีกแล้วย้อนเข้ามาดูตัวของเราพิจารณาตัวของเราเอาแตกลงไป เมื่อมันแต่ลงไปแล้วจิตมันยิ่งจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาขึ้นมาภายในจิตใจแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นก็ไม่มีประมาณพลังของจิตมีมากขึ้นความคล่องแคล่วของจิตมีมากขึ้นการพิจารณารวดเร็วมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือปัญญาทํางานแล้วเห็นโทษเห็นภัแห่งสิ่งทั้งหลายที่เคยเห็นว่ามันเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์น่ารักให้สาบใจนี่จ้างออกไปจางออไปเลยรอไปก็เหลือตั้งแต่กองกระดูกนั่นนี้ละปัญญา กองกระดูกกองเนื้อกองหนังซากศพเป็นซากศพตายเป็นอันเดียวกันน่ะไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันมีหนังหุ้มห่อไว้เช่นนั้นนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาให้คล่องตัว <c oughs> ยาไปคิดจะไปคาดว่าจะถอดจะถอนกิตเรศตัวนั้นตัวนี้อย่าไปคาดนะให้ดูความจริงนี่ความจริงจะบอกขึ้นมาควรควรถอนตรงไหนมันจะถอนเอง <c oughs> ควรอิ่มพอรตรงไหนมันจะปล่อยของมันเอง <c oughs> ร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อเวลาพิจารณาด้วยความ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 ให้เราถือแง่นั้นเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นหินรับปัญญาตลอดไป <c oughs> นี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเนื่อเมื่อมันมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี้เป็นงานของจิตทางด้านปัญญาย่อมทํางานตลอดไปเมื่อทํางานมากๆแล้วย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขอยเข้ามาพักในทางสมาธิเพื่อเอากําลังจิตเมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วย่อมปล่อยวางงานทั้งหลายเข้าสู่ความสงบตัวสบายเย็น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 พอ เ, เหนื่อยไม่ลาเราก็รู้เราเองเข้ามาพักสมาธินี่เปรียกว่าการพิจารณาอย่างราบรื่นดีงามไม่หนักไม่เบาตรงไหนตรงไหนนี่เคยผ่านมาแล้วจึงได้รู้เลินํามาสั่งสอนหมู่เพื่อนถึงขั้นปัญญาเผลินตัวนี้เพลินจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะอืปัญญาถึงขั้นเห็นเหตุเห็นผลของร่างกายเป็นสิ่งสําคัญมากนะเพราะราราคาตันหาอยู่กับร่างกาย โลกทั้งหลายป่วนปั่นวุ่นวายกันตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากที่สุดเราจะเห็นได้เวลาขึ้นเวทีไม่มีกิเลสตัวใดจะหนักหน่วงทวงจิตใจบังคับจิตใจยิ่งกว่าการเมื่อกิเลยการเม่กิเลยอยู่กับร่างกายเมื่อร่างกายเบาลงเบาลงสิ่งเหล่านี้ก็เบาไปตามๆกันเมื่อพิจารณาร่างกายรอบสลัดสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วเรื่องการเมื่อกี้มันก็ขาดไปด้วยกันอันนี้เราจะไม่บอกเรื่อง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 เป็นเองนะเวลาถึงขั้นชำนาญแล้วคล่องคลงคล่องแค่ ว, ว่องไวหมุนตัวเป็นเตี้ยวไปเลยนี่จากนี้ไปแล้วก็เป็นปัญญาตโนมัตินี่แหละขั้นเริ่มเริ่มเป็นปัญญาตโนมัติก็เริ่มปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายคล่องแค่ ว, ว่องไวเขียบขาดทันกับการมาัธยเหล็เป็นลําดับลําดานี่แหละปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ผ่านพ้โจรทยานมากทีเดียวเหมือนกับน้ําไหลโจนลงจากภูเขา เสียงสนั่นหวั่นไหวปัญญาขั้นกลางเมื่อกิเลยขั้นร่างกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากเช่นนั้นเหมือนกันหากเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ที่หนักหน่วงทวงจิตใจมากสติปัญญาที่จะฟาดฟันทันแหลกกับกิเลสประเภท น, นี้จึงต้องผาดโผนโจรทยานมากมันทักษะเหมาะพอดีกันนั่นแหละกับผู้ปฏิบัติรู้ตัวเองนะจะไปทําอ่อนข้อไม่ได้มันทักษเป็นอยู่ในตัวเอง ถึงขังข้นคล่องแคล่วว่องไวนี่พริกสันเป็นคมพลิกคมเป็นสันพลิกไปพลิกมาได้ร้อยสันพันคมอํานาจของปัญญาที่คล่องตัวนี่แหละการพิจารณาร่างกายเป็นสาคัญเอาให้มันแหลกแตกกระจายนี่คือการพิจารณาร่างกายเอาให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่วลาเอาไปจริงๆแล้วมันชํานิชำนาญพอตัวแล้วให้รู้ทีนี่นะเอาที่นี่ตั้งกองอสุภะนั้นไว้อจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตาม เป็นเราก็ตามเป็นเขาก็ตามเอาตั้งกองเอาสุภาไว้ที่ตรงหน้าของเรานั่นแหละเรามันมันเรื่องของการทําลายมันรวดเร็วนะพอตั้งขึ้นพนับนี่พิจารณานี่มันขาดสะบั้นไปกัน ท, นทีนทีนี้เมื่อชํานาญถึงขนาดนั้นแล้วเอาตั้งขึ้นดูมันต้นเหตุของสุภาของอสุภามันมาจากไหนให้ตั้งเอาไว้ตรงนั้นให้แผงดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนให้ดูนี้หละตัวสําคัญที่จะจับ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 เอาจนกระทั้งแตกกระจ า, า, ายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อพิจารณาแล้วมีความชำนาญแล้วตั้งอีกดูอีกกําหนดความเคลื่อนไหวของมันมันจะไปไหนมาไหนเอาจนกระทั่งถึงรู้ต้นเหตุของมันว่าออกมาจากไหนอสุภะอาสุภัง น, นี้ออกมาจากไหนใครเป็นผู้มาปรุงมาแต่งใครเป็นผู้มาสําคัญมันหมายว่าเป็นสุภะอาสุภะจับไว้ให้ดีแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจทีเดียวนั่นละรากฐานที่มันจะถอนกรรมมริเผลมันถอนตรงนี้นะ พอกําหนดเข้าไปแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาเองโดยไ ม, ม่มีใครบอกก็ตามไหลก็มาสู่ใจงานตรงนี้แหละตรงที่จะตัดสินกันระหว่างการเมกิเลสกับเรื่องของร่างกายจะตัดสินกันที่ตรงนี้แต่นี้อธิบายเพียงเพียงเป็นเงื่อนนิดหน่อยอธิบายมากเกิดความสําคัญมั่นหมายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ผู้ปฏิบัติ <c oughs> นั่นพิจารณาเองโดยเปิดทางให้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้ แล้วเวลาเข้าไปเห็นตัวจริงเป็นสันติโกแล้วไม่เจ้าก็ไม่ต้องถามใครจะรู้ตัวเอง <c oughs> นี่คือการพิจารณาร่างกายนี่สําคัญมากนะเอาให้คล่องแคล่วเอาให้ ช, นชนานิชํานาญแล้วอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละคือทางเดินพวกความพ้นทุกอยู่จุดนี้นะไม่อยู่ที่อื่นนะนี่แหละสุภาษิตธรรมจัดไว้ชอบจัดอย่างนี้แหละให้เราพิจารณาตามที่ว่านี่ด้วยความมีสติสตัง ยาปล่อยอย่าวางย่าหล่ะๆเลยนะการประกอบความภาคเพียนของหมู่เพื่อนผมรู้สึกหนักใจมากทีเดียวนะเพราะไม่เคยทํามาอย่างนั้นมันขวางหูขวางตาทนเอาเหมือนตาบอดหูหนวกดูหมู่เพื่อนประกอบความภาคเพียนเนี่ยพดูขนาดนั้นแล้ดูหมู่เพื่อนเพราะเจ้าของไม่ทําอย่างนั้นอมเอาจริงเอาจังทุกอย่างคิดดูเที่ยวไปเที่ยวกับมาฐานเอาใครไปด้วยเมื่อไหร่ก็เขาจ่ออย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยเชี่ยว ไปอยู่ที่ไหนสติกับกิจติดกันแนบตลอดเวลางานการอะไรจึงมายุ่งไม่ได้คนใครก็ตามมายุ่งไม่ได้อยู่ลาพังคนเดียวฟาดกันตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเราเอาจริงเอาจังอย่างนั้นมาที่เวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อนประกอบความภาคความเพียรต้องหยอกเยลียดเอ้ยมันดูไม่ได้นะไม่ใช่ความเพียรเพื่อชาําระกิเลสมันความเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสด้วยความพัง้งเผอไม่รู้เนื้อรู้ ต, ตัวตลอดไป มัเป็นได้สําหรับความนแียนนี้มันจึงไม่มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจถ้าลงตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมพุทธเจ้าทรงสอนจริงๆแล้วยังไงก็ไม่พ้นมาผลนิพพานประจักษ์อยู่กับทุกคนทุกคนเป็นอาการิโกอาการอิโกนั่นน่ะทำเป็นอาการอิโกไม่มีการสถานที่เวลาใดมาทําลาไ ด, าได้ถ้ามีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องกันต่อเวลาแล้วที่เลสกระพังไปทางไปโดยไม่มีการเวลาสถานที่เหมือนกันให้เอาจุดนี้ให้ดีนะ ในที่ว่ามะขผลนิพานชิ้นเฉลี่ยสิ้นสมัยมันชิ้นได้ด้วยกันนั่นแหละทุกวันนี้มีแต่คนไม่มีมะขผลนิพานแล้มันชิ้นเฉลี่ยสิ้นสมัยเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลงสงสารเห็นไหมคนชิ้นเฉลี่ยสิ้นสมัยจากมะขอนนิพานมีตะกี้กตักกลวงเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเผาในหัวใจแต่และดวงละดวงทั่วแดนโลกทาต น, นี้มีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นตรงไหนที่มีความสุขความสบายตรงไหนที่ว่า มีความเจริญลุ่งเรืองมันจะเจริญลุ่งเรีองที่ไหนแม้ที่มีแต่กิเลสเผาหัวใจคนพราคนไม่มีมรรคผลนิพพานไม่สังสมมรรคผลนิพพานสังสมกิเลสมันก็ได้แต่พืน่นแต่ไฟมาเผารัวนั่นเองสิเนี่ยสําคัญตรงนี้นะก่อนนี้เราสังสมัติสังสมธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตลอดเวลาแล้วจะไม่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ย่งไรพระพุทธเจ้าสอนทำตุ๊บุญตุ๊บัตบิสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่สอนเพื่ออย่างอื่นอย่างใดนะ แต่เรามันทะเลทลายออกไปด้วยอำนาจของขิเลสไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสุดท้ายก็มาโจมตีธรรมของบุญเจ้า ว, ว่า ม, ศาา ม, ม, ามัศาสนาหมดมรรคหมดผลศาสนาหมดเหตุหมดสมัยศาสนาคืบศาสนาล้าสมายัยขอขี้เล็มันมาเสกหลอกลวงสัตว์โลกคู่ตาบอดต่างหาอันไหนที่ทันสมัยก็มีแต่ขีเล็กเท่านั้นทันสมยัยทุกวันนี้มีแต่ขีเลสทันสมัยแล้วเยียบแหลกมนุษย์ไม่มีเหลือนเวลานี่อันนั้นจเจริญอันนี้จเจริญอะไรก็จเจริญ ทุกสิ่งสู้อย่างเจริญไปหมดถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลส จ, จะพอกพูนหัวใจเอาไฟเผาตัวแล้วเจริญไปหมดไฟมันก็จ้องเจริญในหัวใจคนสิเมื่อคนเป็นมากกับกิเลสก็ต้องได้รับเพราะรล่คือคือหัวใจเ น, นี่ยเป็นฟืนเป็นไฟตลอดแล้วหาดทูที่ไหนในโลกอันนี้ใครจะทรงอัดทรงทาเป็นความสงบ ร, ร่มเย็นได้แล้วอย่าเอาเรื่องกิเลสเหลอกลวงนั้นมาอวดมาอ้างนะอย่าไปหลงสําคัญนะเออเมื่อคนมั่งคนมีคน มียามาาศถาบรรสักบริษัทบริวาลสมหัติเงินทองเขาของมีมากมีน้อยคนนั้นคือเขามีความสุขสุขอะไรนั้นคือเครื่องหลอกของกิเลสเอาไฟมาเผาหัวใจคนต่างหามีมากมีน้อยความสุขไม่ได้ความทุกข์มันเหมือนกันหมดนะอืเพราะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงท่านั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมใครยาาราศถาบรรสักสูงต่ำขนาดไหนแสกกันไปอย่างนั้นแหละมีกิกเลสพาให้เสกหลงตามกิเลสความทุกข์จึงไม่ได้ลดหย่อนลงไปทั้งคนมีคนจนคนโ ง, ง่คนฉลาด เป็นความทุกข์เหมือนกันหมดชราก็ฉลาดไปตามกิเลสเสียแหน่โง่ก็โง่ไปตามกิเลสเสียเอาความสุขมาจากไหนแต่ชราฉลาดโดยธรรมนั่ น, น, นถึงถงจะมีความสุข น, นี่แหละเรื่องของโลกเราอย่าไปคาดไปหมายกิเลสมันเคยเหลอกลวงมากี่กับเหยื่กันแล้วให้สัตว์ล่มจมในบาตรสองสารนี้กี่ภพกี่ชาติเราคนเดียวนี่นับได้หรือกันจนมันตั้งวันนี้ นับตั้งแต่วันเกิดมาถึงทั้ ง, ถ, งถึงวันตายของเราว่าเราเกิดกี่พบกี่ชาตินับไม่หยุดไม่สอยตายอยู่นี้กี่กับกี่กันก็เพราะกิเลสหลอกลวงนั่นเองมีต้นมีปลายที่ไหนกิเลสหลอกลวงสารโลกกิเลสไม่มีคำว่าเท่าแก่ชราค้าค้านนะหลอกตลอดไปหลอกต่อไปไม่มีคมาําว่าวัไวไมกิเลสหลอกเรื่อยๆถ้ามีทำสกัดรัดกัน้นแล้วยังไงก็ไม่มีทางยุติการลงได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสกัดรัดกั้นด้วยการบําเพ็ญธรรมแต่พราะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติ เอากำจัดบปนลงไปกิเลสนะนี่ละสกัดรัดกั้นวัตวุลให้มันย่นเข้ามาย่นเข้ามาเห็นประจักษ์กับใจของเราเองไม่ต้องไปคาดไปหมายที่ไหนละ่ะเวลาจิตสกัดรัดกัน้นกิเลสตัวยืดยาวสาวโซในเรื่องการเกิดแต่เกิดตายนั้นมันอ่อนตัวลงไปอ่อนไปวัตตะวุลก็อ่อนตัวเข้ามาอ่อนตัวมาหดย่นเข้ามาใจของเราก็ประจักษ์สมาธิเกิดขึ้นแล้วที่นี่มีทางที่จะก้าวทางด้านปัญญานี่ยที่จะตัด หัวกิเลสให้ขาดสบ้านขาดสะบ้นลงไปตอนที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เอาขั้นนี้ให้ดีนะ้ากายยกตาสติยาปล่อยเอาให้หนักใ ห, ให้ให้ทํางานกับอันนี้ออกจากนั้นให้เข้าสู่สมาธิตั้งหน้าตั้งตาทำจากนั้นปัญญาอัตโนมัติจะไม่ต้องบอกแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นกามเมื่อกิเลสขาดสะบ้นลงไปปัญญาอัตมัตินี้จะหมุนตัวเป็นเตียวลื่นไปเลยได้รับได้ยับยั้งเอาไว้นะความเพียรขั้นนี้อ่ะขั้นสติปัญญาอัตโนมัติ ส, ส่วนขั้น กายะกตาสติการที่นาสุภาอสุภะสุภาสุภสังนี้มันเป็นมันเป็นปัญญาชนมูลวุ่นวายเนี่ยจะว่าอัตโนมัติหรือมาอัตโนมัติมันก็ชุนละมูลผ่องมันด้วยความชำนิชำนาญในสุภาอาสุภานั่นโดยลำดับดาหมุนติ้วกันอยู่ในนั้นจะว่าอาตัตโนมัติก็ไม่ผิดแต่กิเลสมันไม่ค่อยสนใจแล้วเรื่องโอจะทำไม่ได้สนใจแล้วว่าอาตัตโนมัติแ้วให้กิเลสให้สิ่งของนี้ได้ขาดสะบั้นตร ง, งใจแล้วเป็นที่พอใจ หนึ่งเรื่องร่างกายของเราที่ว่าสวยๆงามงา ม, มากี่กับอยู่กันตายกองกันอยู่นี่เพราะอันนี้เองเมื่ออันนี้เนี่ยขาดลงไปด้วยอํานาจของปัญญาที่หมุนติวต๋วติ๋วเนี่ยแล้วมันก็ผ่านเปิงมาล่ที่นี่พูดได้อยู่แล้วลต่อไปเนี่ยเอะสติปัญญาจะหมุนเข้าสู่ธรรมละเอียดคือพวกนามมธรรมกายนี่เรียกว่ารูปธรรมปิจนาณี่ค่องแคล่วตัดพิเรศกาลเมื่ก้ขาดสะบ้านนุปจากรนี้แล้วมีแต่นามธรรมา พิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงขึ้นที่กิจปรุงขึ้นที่กิจปรุงขึ้นอะไรไม่ว่าดีว่าชั่วปรุงขึ้นแล้วดับมันมาจากไหนความปรุงนี้มาจากไหนไล่เขาไปไล่เขาไปนั่นตั้งแต่ร่างกายเนี่ยไล่เขาไปแต่ร่างกายฟาดร่างกายให้มันแตกรกระจายลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดเพียงการมรรคผล ข, ขาดสะ บ, บั้นลงไปจากใจสองนั้นโลกโลกนี้จะว่างไปหมดเลยนะตัวก็เหตุตัวออกสนามลบเพื่อก่อ ไฟเผาโรคคือตัวนี้เองตัวนี้เองรู้เอย่างชัดพอนี้ผ่านไปได้แล้วไม่มีอะไรเผาอืมความภาคความเพียรหมุนตัวไปเองที่นี่ความเพียรได้รั้งเอาไว้นะขั้นนี้เป็นขั้นุนมูลวุ่นวายหนักมากที่สุดความเพียรขั้นกามกิเลสนี้นะต้องเอาให้หนักผู้ปฏิบรรัติทำเมื่อเอานี้ขาดสะบัดลงไปแล้วอันนี้พาเหมือนหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมนะที่นี่นะเออกิเลสตัวนี้เองมันตัวปิดกั้นเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันปิดตันเอาไว้หมดไม่ให้เห็นอะไรเลยพ่อโดนี่ขาดสะ บ, บั้นลงไปแล้วมะพรุนิพ่ผ่านอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้มนั่นแหละความมาคว้ามาควา้ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาสม ม, มติหมุนตัวเป็นเกลียวได้ล้างเอาไว้นะทีนี่สติปัญญาขั้นนี้จะหมุนตัว ต, วตวลอดเวลามันเห็นพระทัดอยู่งันจีนักปฏิบัติน่ะเห็นท่านแล้วทําไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าทรงถามใครบ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถามใครเอ่ท่านทำไมเมื่อรู้แล้วท่านพูดได้เต็มปากก็มันรู้อยู่ที่หัวใจ แล้วทำไมจะพูดมาได้ทอดออกมาจากหัวใจมาพูดทำไมจะพูดไม่ได้วะนี่เมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะอืมมันชัดขนาดนั้นนะผมไม่ใช่คุยนะการปฏิบัติธรรมาเนี่ยทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของการดําเนินของเรามันประจักษ์ตลอดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิดังที่กล่าแลวแล้วเรามุกคุกขาดจเรียแล้วเสื่อมจะเรียนแล้วเสื่อมจนมจกระทั่งตั้งสมาธิได้แล้วก็มาติดสมาธิก็ดังที่กล่าแลวแล้วนั้นติดอยู่ห้าปีอ เพราะมันไม่รู้ทางเดินเห็นสมาธินั้นจะเป็นนิพานไปเสียตายอยู่ในนั้นด้วยความประมาทติดสมาธิอยู่ทั้งนี้อะไรก็อยู่ได้จิตใจที่มีสมาธิแล้วมันอยู่ได้ทั้งนั้นสบายหมดอดอิม่มอะไรไม่สนใจถ <c oughs> ุกจนอะไรไม่สนใจเพราะอาหารของจิตพอแล้วอยู่ในใจ <c oughs> เพียงสมาธิก็พอตัวพอตัวเมื่อยังไม่เห็นทำขั้นสูงเพียงติดในสมาธิเมื่อเหตุนี้ท่านจะสอให้ออกทางด้านปัญญา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 นี่เรพิจารณามาแล้วติดสมาธิห้าปีไม่เห็นเกิดปัญญาพอามพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกทางด้านปัญญาก็มันพร้อมแล้วทางด้านสมาธิหนุนปัญญาพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยทีเดียวแต่นี้มาได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนหมุนติวต้วติว้วติ้วเลยนี <c> ่ <oughs> ปัญญาทํางานพอหมุนติ้ยวเป็นลาดับเขาเห็นผลเป็นลําดับลาดาฟาดแล้วเจดขาดสะ บ, บัน้นเฉพาะอย่างยิ่งการมืม่อกีเด็ดที่เกี่ยวกับร่างกายนี่หนักมากนะ ถ้สติปัญญานี่หมุนติวต้วติ้วติว้วหรือว่าอัตโนมัติหไม่อัตโนมัติมันไม่ได้คํานึงกันมันชุนลมูลกันในขั้นนี้นะพอจากนี้แล้วมันก็รู้ได้ชัดเจนอืมพอเรื่องการมื่อกี้เลยเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ขาดสะ บ, บันลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดนะข้าศึกศัตรูเหมือนไม่มีมันก็มีตัวนี้ตัวเดียวฉะนั้นเป็นเครื่องหนักน่วงท่วงจิตใจทรมานจิตใจมากที่สุดตในโลกได้รับความทุกข์มากที่สุดเพราะตัวนี้เองนัก มันประมวลมาได้หมดไม่ต้องประถามใครเลยพอตัวนี้ขาดกระเด็นลงไปจากใจแล้วไม่มีอะไรโลกนี้ว่างไปเลยเนี่ยว่างในขั้นนี้ไม่มีกองทุกอะไรที่จะมายุ่แย่ก่อกวนให้เราได้รับความทุกความทรมานมีแต่ความดูดดื่มทางด้านจิตใจเพื่อมักผลนิพานขั้นสูงขึ้นไปแล้วยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านี้นี่แหละมันเป็นอัตโนมัติแน่น่นะเรื่งสัญญาอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งร่างกายมันหมดความหมายแล้ว <c oughs> มันอิ่มตัวแล้วมันพอแล้วมันไม่พิจารณานะ นั่นอะร่างร่างกายเมื่อพอในการเมกิเกี้ขาดแต่ว่าไปแล้วร่างกายจะปล่อยอื่นนั่นมันอิม่มมันก็เป็นอย่างนั้นให้รู้เจ้าของเองสิมันแค่อยพิจารณานี่ตลอดไปนะถึงขั้นมันปล่อยบางครั้งให้พิจารณาก็ไม่ยอมพิจารณาก็มันรู้แล้วแนี่มันเอานี้มาดันทันทีแล้วก็ยอมรับกันทันทีแล้วก้าสั่งด้านสัญญาด้านนานมธรรมด้านนานมธรรมดูดดื่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เมื่อมันยังมีเชื้อไฟอยู่ไหนไฟจะลุกลามไปเรื่อยๆเชื้อไฟในส่วนร่างกายหมดแล้วอ่า ไฟคือสติปัญญาก็หยุดตัวไปเองพ่านไปเองพอถึงขั้นขั้นไหนที่ยังมีเชื้อไฟคือกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดมันมีตรงไหนนั่นแหละเชื้อไฟมันก็ตามกันไปเผากันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่นาเอาอาชูพรอสุภฟังนี่แหละเอากิเลสตัวนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆแลไม่ใช่เสร็จแล้วแล้วนะอมันหากฝึกซ้อมไปในตัวของมันเองฝึกซ้อมเรื่องกามกิ้เลยทั้งๆ้งที่มันรู้แล้วขาดตะบันไปแล้วก็ตามมันเอานี้ฝึกซ้อมแล้ก่อนนีมีนอกนี่มีใน มันเอามาฝึกซ้อมภายในจิตใจจนกระทั่งนิมิตนี้ไม่มีเหลือส่วนร่างกายนี้มันหมดปัญหามันไปแล้วแต่ยังมีนิมิตอันหนึ่งที่มันอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเครื่องเล่นของปัญญาขั้นนี้ให้การเมื่อกี้เลย น, นี่ละเอียดเราสุดขีดก็ไปขั้นระดับที่สอบได้มีนี่เช่นเราสอบได้ห้าสิบเปอร์เซเรียกว่าสอบได้นี่ขั้นที่ขาดลงไปห้าสิบปอร์เซได้แล้วที่ระดับของ อันนี้ที่จะละเอียดเข้าไปเหมือนอย่างที่ว่าอนาคามีนั่นแหละละเอียดขึ้นไปอนาคา ม, มีเป็นสิ้นกามความละเอียดไปอีกเดิมๆลำดับเนี่ยฝึกซ้อมอันนี้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆถือขั้นการมื่กี้วิเศษที่สิ้นไปแล้วเนี่ยนิมิตอันนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตให้มีความชำมีชํานาญในด้านนามธรรมไอ้นี้อะไรเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเมื่อเวลาเราพิจารณาทางนิมิตอันนี้หมดจริงๆแล้วมันไม่มีนะทีนี่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 มันมันอะไรเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ออกมาจากจิตออกมาจากจิตไม่ว่าปุงดีปรุงชั่วหมายอะไรกอะไรมันก็ออกมาจากจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตตั้งเข้าไปก็ไปถึงจิตก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เข้าถึงจิตจุดใหญ่แล้วสิออามันออกมาจากอันนี้ออกจากอันนี้หมุนกข้าไปก็ถึงอวิชาปัญญาสั้งคาล่าออตัวใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนั้นนานมันเห็นชัดเจนเข้าไปถึงนั้นแล้วก็พังกันตรงตรงนั้นเลยอ่อ๋อมันเข้าตรงนี้เข้านี้พิจารณาเข้าในจุดนั้นที่จุดที่มันเกิดของ สัญญารมทั้งหลายเรานี่เมื่อพิจารณากันไปแล้วมืว่ถึงจุดนั้นจุดนั้นพังกันเลแล้วขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วถามหาสมไยนิพานฮก็อันนี้เองปิดนิพานพอเปิดจ้าขึ้นมาแล้วนิพานถามมาอะไรจอกแหนมันปิดน้ําไว้นีน่พอเปิดจอกเปิดแหน้มออกจากน้ําที่ถูกอจอกแหน้ปรคุณหมอกไว้ออกหมดแล้วถามหาน้ําทําไมน้ําอยู่ในสารนั้นบึงบ่่นั้น เต็มอยู่แล้วนี่ถามพรนิพพานอะไรกิเลสนั่นะยังปิดพระนิพพานแล้วนี้เป็นกิเลสทั้งหมดเปิดจ้าเปิดออกหมดแล้วจ้าสันทีอะไรถามพระพุทธเจ้าสมัยแม้ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันประจักษ์ใจในหัวใจแล้วถามท่านหาอะไรแล้วก็สิ่งที่มันเคยเป็นข้าศึกก่อให้เกิดภพเกิดชาติก็ตามสะกดรอยมันมาตั้งแต่ต้นพิจารณาร่างกายนี้เป็นสะกดรอยมาเรื่อยๆตั้งแต่สมถะกรรมฐาน บรีกรรมภาวนานะั้นเรียกว่าสะกดลอยแห่งความเกิดตายของตัวเองเข้ามาเป็นสมาธิเข้ามาเป็นปัญญาคลี่คลายออกมาเนี่ยสะกดลอยของกิเลสตัวพาให้เกิดคืออวิชชาเนี่ยเนี่ยมันวางขายไว้หมดนะั่นแหละนี่เป็นขายของอวิชชาทั้งนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปเผาก็ไปตาประรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเผาก็ไปเผาก็ไ ป, ไปยองกระทั่งถึงอะไรก็พังลงไปแล้วมันก็ผ่านไปพังอันไหนที่ยังมันก็ตามเผากันไปเรื่อยๆดังที่ว่าเนี่ ปัญญาส่วนหยาส่วนกลางถึงขั้นสติปัญญาโนมัติมันก็หมุนตัวของมันไปเองเผากันไปเองจนกระทั่งเป็นสัจมหาสติมหาปัญญามันไปจากสติปัญญาโนมัติที่ชํานาญตัวแล้วนั่นแหละไปเป็นมหาสติมหาปัญญาจากนั้นแล้วเราก็พูดไม่ถูกนะเนี่ยมันเวลามันประจักษ์ในจิตัย่างนี้ไปหาพระไตรปิฎกที่ไหนมาว่าอะมันประจักษ์ในจิตแล้วไม่ไม่สงมันไม่ถามใครอีกด้วยนะเออ ออกจากมหาสีบารมยาแล้วมันคืออะไรอีกนั่นแหะที่ละเอียดกว่ามหาสีบาญมยานั่นคืออะไรนั่นแหะเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีในคัมภีรก็ตามก็มันเห็นอยู่อย่างงั้นจะว่างไงประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วนี่แหละความละเอียดพอถึงขั้นอ่ามหาสีบาญมยาแล้วยังมีอันหนึ่งอีกที่ละเอียดกว่านั้นนั่นแหละจะเผาที่ละเอียดที่ละเอียดสุดคืออันนั้นเองเผาก็ไปเผาก็ไปละเอียดซึมทราบนี่ซึมทราบคือว่าเผาแบบซึมทราบนะ สุดท้ายก็พังทลายหมดไม่มีเหลือเลยหันเมื่อทิเหลือพังทลายหมดแล้วไอ้เรื่องความเกิดตายมันก็ตามรอยมามาตัวกระทั่งถึงตัวมันคืออวิชชาเนี่ยตัวพาให้เกิดให้ตายอ่มันติดมากับจิตนี่แหละตามเข้าไปจกระทั่งถึงจิตถอนออกพวดออกไปแล้วทีนี้อะไรจะมาพาให้เกิดให้ตายตัวพาให้เกิดให้ตายพังลงไปแล้วเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาแล้วอะไรจะมาเกิดมาตายอีกเหลือแต่จิตที่บริส่วนล้วนแล้ว สว่างจ้าครอบดกธาตุจะมาเกิดตายที่ไหนอีกมันก็รู้อีกนั่นอันนี้ไม่ใช่ผู้เกิดตายผู้เกิดตายคือเชื้อก็มันที่ฝังจิตมานั่นคืออวิชชาตัวนั้นพานให้เกิดตายตัวนี้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรเกิดตายมันก็เห็นจ้ชัดอย่างนั้นสีผู้ปฏิบัตินี่ลาการปฏิบัติทำรรมับูเจ้า ส, สดๆร่อนๆนะอย่าเอากิเลสมาหลอกนะเออว่าทํามาสมัยนั้นสมัยนี้อกิเลสมันมีสมัยที่ไหนเกิดมากับหัวใจของสัตวโลกกี่กับกี่กันใครรู้เงื่อนก้นมันตายของมันที่ไหน แล้วมันแตกชลาไปเมื่อไหร่กิเลดนั้นมันก็เป็นกิเลสบัญญัํิข้ามตลอดเวลาเหตุได้มันจึงมาตําหนิทำมาคําคร้าวชลาคือร้ายสมัยไปได้นั่นเห็นมากกิเลสหลอกคนทำมาฟาดหัวมันลงไปสิกิเลสมันมามีมากี่กับีกันทําไมไม่เห็นคือไม่เห็นร้าสมัยแต่ทําทําไมคือร้าสมัยนั่นฟาดอยลงตรงนี้สิกิเลสแตกลงไปแล้วไม่มีอะไรบางคือวร้าสมัยมีกิเลสอย่างเดียวมาว่าหั่นเอามันอย่างฮั่นเลยการปฏิบัติธรรมนี่ผมสงสารหมู่เพุทธนา ยิ่งเฒ่ายิ่งแก่มา <c oughs> การเทศนาว่าการให้หมู่พืวนฟังก็ลดมาหลายปีหยุดมาหลายปีแล้วนี่ก็พอช่วยโลกช่วยสงสารด้วยความเมตตาโลกนั่นเองจะทํายังไงที่ได้บึกบืนทํานี้แหละเวลานี้ก็ดีนี่ละการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนี้แล้วหมดปัญหา <c oughs> ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงนี้แล้วเหมือนกันหมดถามกันอะไรขล้องเดียวกันเท่านั้นพอกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่แหละกิดดวงนี้แหละ แล้วพอเราก็มาแยกออกมาพูดนะมันแยกออกมาตามหลักธรรมชาติของจิตที่มันรู้มันเห็นประจักษ์ใจนี่แหละแล้วแม้ออกมาจากคัมภีร์ไหนล่ะเอามาจากความจริงที่ปรากฏกับหัวใจตนเองพอมาถึงขั้นผึ่งเนี่ยนิเวศทางนองขาดสะบั้นลงไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ธรรมชาตินี้ล้วนแล้วอ๋อนิพานที่เราเคยคาดว่านิพานเห็นจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ขาดสะบั้นไปหมดเลยอันนี้กับนิพานที่เราคาดนี้กับธรรมชาตินี้เข้ากันไม่ได้เลยนะ แต่ก็คือให้ชื่อว่า น, นิพานนั่นแหละจากนั้นก็แยกไปอีกนะให้มันถนัดใจจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นนะจิตอันนี้เป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้ากระเทือนหมดทั่วแดนโลกทานุเป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นธรรมธาตุเรียบร้อยแล้วพระพุท้ารอรหันต์องค์ไหนจัดระุ้ปึงเข้าไปเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันเหมือนกับแม่น้ําที่สายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทร สายไหนสายไหนก็เรียกชื่อได้ว่าสายนั้นสายนั้นเช่นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําบางปะกงแม่นต้นเวลาไหลเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเรียกมหาสมุทรคําเดียวเช่นนั้นกระเทือนกันหมดเลยอืมจะเรียกว่าแม่น้ําสายไหนอีกไม่ได้นี่เหมือนกันจีตของผู้บําเพ็ญทั้งหลายไม่ไม่ว่าใครๆก็ตามผู้บําเพ็ญเที่ยว ก, กับแม่น้ําสายต่างๆไหลลงมาคือว่าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปใกล้เข้าไปการบําเพ็ญบรารมีของตัวเอง ใกล้เข้าไปเข้าไปพอถึงนั่นปึงเท่านั้นนั่นเราเรียกว่าเหมือนกับแม่นม้ําสายต่างๆอะไเข้าสู่มาหาสมุทรอันนี้แม่น้ําแห่งความรู้ของเรานี่เมื่อเต็มภูมิแล้วผึงก็ไปเรียกว่าจัดทะลุธรรมนั่นละ่ะถึงมหามิมุตมหานิพานแล้วหรือเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกๆุกองถามพระพุทธเจ้าหาอะไรว่า พ, พุทธเจ้ามีหรือไม่มีตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกๆกุกองมีมากขนาดไหน พระพุทธเจ้าที่ตัดสรุมาแล้วกี่กับกี่การใคนับได้เมื่าเร่เบื้องต้นเบื้องปลายของพระพุทธเจ้าที่มาตัสรุปนี้ใครนับได้ว่านี่เป็นธรมธธ ร, รมชาติเดียวกันหมดนั่นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกทุกโบกมีจํานวนมากขนาดไหนเมื่อเข้าถึงนี้แล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงมันกันหมดหรือว่าเป็นมหาวิมุติมหาวิพาน ห, หรือเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดนี่ละศูนย์ไปไหนพิจารณาคือธรรมชาตินี้ศูนย์ไปไหนแล้วน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเวลา ในน้าสายต่างไหลไปถึงนั้นแล้วแม่น้ำมหาสมุทรเทหลงศูนย์ไปไหนอันนี้ก็เหมือนกันผู้บําเพ็ญจิจนี่เข้าถึงจุดมหาวิมุติมหานิพานแล้วเท่ากับแม่น้ําถึงมหาสมุทรเทหลงแล้วศูนย์ไปไหนนั่นมันเห็นประจากษ์ตรงนั้นล่ะจะศูนย์ไปไหนแล้วพระเจ้ามีหรือไม่มีก็สงสัยไปไหนมันประจักอยู่งั้นนะผู้ปฏิบตัติไม่ได้เหมือนที่เราเรียนท่องบนสัระวจนะตามคำพีบาลานเรียนไปเท่าไรสงสัยไปเท่านั้นผมเป็นมาแล้วนะ ผมไม่ใช่เอามาคุยเฉยๆนะ <c oughs> เรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนไปถึงไหนเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยเรียนไปที่ไหนสงสัยไปที่ไหนสักท่านจ้องะทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเมตทีต่อสู้กับนิพพานมีหรือไม่มีนะ น, นี่แหละคือความเรียนเฉยๆจาได้เฉยๆ ไ, ไม่ได้เห็นตัวจริงจําได้แต่ชื่อไม่เห็นตัวจริงมีแต่ความสงสัยแบกความสงสัยแบบ จบพระไกรพิโดก็แบบแต่วความยงใสเพราะฉะนั้นผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์จะเรียนขนาดไหนก็ตามจบพระไกรพิโดก็จบได้ตั้งแต่ความจําเป็นมรรคผลนิพานไม่ได้นะเออต้องเอามาปฏิบัติแยกมาถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่ามรรคพระไกรพิโดกนั่นคือแปลนแห่งมรรคผลนิพานเหมือนกับแปลนบ้านของเราชนิดต่างๆถ้ามีแต่แปลนเฉยวางไว้เต็ม ห้องเต็มหับมันก็เป็นแปลงไม่สมเอ็ดเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาถ้าต้องการเป็นบ้านเป็นเรือนตึกขนาดไหนหลังใดแล้วเอาแปนนั้นออกมากลางแล้วปลูกสร้างประตามแปลนนั้นแล้วนี้จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาตั้งแต่เริ่มวางรากฐานก็เห็นแล้วทัานว่าปฏิเวทปฏิเวทก็เหมือนกับว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นเองปริยัติได้แต่แบบแปลนแผนถังของมรคนี่ผ่านปฏิบัติได้บ แ, บบ แ, แต่การก้าวเดินเพื่อจะสร้างตัวจริงขึ้นมา ให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิก็เห็นแล้วเนี่ยจิตของเราสงบนี่เริ่มเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นรากเป็นฐานขึ้นมาแล้วในในขั้นของสมาธิร่างสมาธิได้ปรากฏขึ้นแล้วสมาธิประเภทใดหนาแ น, น่นขนาดไหนปรากฏขึ้นมาปรากฏมาเหมือนเขาสร้างบ้านว่าตั้งแต่เริ่มวางรากวางฐานขึ้นมาวางคานขึ้นมาจงกระทั่งตึงกรามบ้านช่องสําเร็จลงไปแล้วนี่บ้านสมบูรณ์สําเร็ จ, รจอันสมบูรณ์เนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่สมาธิศีลแล้วก็ประจักษ์ในตัวของเราแล้วนี่คือภาคปฏิบัตินะศีลก็ปฏิบัติให้มีศีลสี่ยาสั่งม า, าเป็นผ้าหัวโ ล, นล้นเอวดตัวว่ามีศีล น, นะไม่รักษาไม่มีนะศีลนี่ไม่ดีสังหารศีลนี่ขาดสะบ้านไปศีลไม่ติดหัวโล้นเลยก็มีเยอะนะพระเราอย่าเข้าใจว่าจะมีศีลทุกคนไปนะไอผ้ผูกพวกไปพวกผีพวกสัตว์ในโลกพวก ไม่มียางอายต่อศีลต่อธรรมนั่นแหะพวกทำลายศีลตัวเองแล้วก็เอาผ้าเหลืองครอบโมโลนมาประกาศตนว่าเป็นพระเป็นพระนั่นทั้งๆที่ไม่มีศีลจากตัวเนี่ยเพียงเรียนได้เฉยไม่ปฏิบัติตามแล้วยังทำลายศีลทั้งตัวหนงด้วยเนี่ยมีศีลที่ไหนความจำมีความหมายอะไรใครก็รู้นี่ว่าศีลสองอยี่สิบเกตแล้วมันทำลายหมดแล้วมันจะเหลืออะไรแม้ตัวเดียวศีลข้อเดียวก็ไม่มีเหลือเนี่ยความจำไม่เฉยมันทำลายได้นะเออมันไม่มีเป็นพระเป็นผลอะไร เนี่ยที่นี่เรียนขั้นใดภูมิดไหดก็ตาม <c oughs> เรียนสมาธิก็มีแต่ความจําเรื่องปัญญาขั้นใดมีแต่ความจําตลอดมักฝนิพานมีแต่ความจําและเต็มไปด้ยวยความสงสัยไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองนะผู้เรียนมากเรียนน้อยทําไม่ได้ปฏิบัติแล้วอย่าอวดว่างั้นเลยนะเราเรียนมาแล้วเจึงกล้าพูดอยู่ว่าเราก็บอกว่าเราเป็นนอนแทกกระดาษอยู่7็ดปีเนี่ยเรียนมาเท่าไหรมันก็ไม่ได้เรื่องไดแล้วแต่แทกกระดาษนี้ยังมีภาคปฏิบตัติอยู่นั้นเราก็ดีปฏิบัติมาเรียนหนังสือเราก็ปฏิบัติ หากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความชงใช้นั่นแหะเป็นนอนแท้กระดาษมาตลอดนะจนกระทั่งออกปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่นั่นแนหะศีลเราก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอบอุ่นเนี่ยประจักษ์ในหัวใจของเราเพราะเรารักษาเนี่ยรักษาคือการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติรักษานะ่ยสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเรา <c oughs> ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนสมาล่างล่างสมาธิก็เริ่มปรากฏสมาธิขั้นใดสูงขึ้นขนาดไหนละอียะขนาดไหนปรากฏขึ้ น, นเรื่อย เพราะการสร้างขึ้นเรื่อยๆด้แก่การบำเพ็ญจากนั้นก็เป็นปัญญาปัญญาขั้นใดก็รู้ก็รู้นี่แหละเล่าสร้างขึ้นเป็นภาพของปัญญาเป็นเรือนร่างของปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัญญาปัญญาขั้นใดมันก็รู้ขึ้นเป็นลําดับจนกระทั่งมหาปัญญาก็รู้ชาญนี่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไ ป, นไปเรียวกว่าสร้างมรรคผลนิพพานออ <c oughs> สร้างขึ้นไปตั้งแต่สามาธิสมบัติอปัญญาสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบ้านเป็นเรือน ขึ้นจนกระทั่งถึงมหาบิมุตโอจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญานี่จวนเสร็จแล้วนั้นนี่นะมรรคผลนิพพานบ้านอันสมบูรณ์คือสำเร็จถึงมรรคผลนิพพานจวนเสร็จแล้วพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนี่บ้านอันสมบูรณ์มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแล้วนี่ปฏิเวทปฏิเวทความรู้แจ้งมาเป็นลำหนับตั้งแต่เริ่มศีลบริสุทธิ์ก็รู้แจ้งในตัวเองสมาธิขั้นใดปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองก็รู้แจ้งในตัวเองและปัญญาขั้นใดที่ ที่เราพิจารณาแยกคายขนาดไหนก็รู้แจ้งในตัวเองจนกระทั่งถึงมหาสีมัญญาก็รู้แจ้งในตัวเองกระทั่งถึงวิมุตหลุดพร้นขาดตะบ้านไปหมดที่เลืไม่มีอะไรเหลือประจักษ์แจ้งนี่เรียกว่าครอบโลกธาตุเลยก็รู้ประจักษ์ในตัวเองถามมูขวิยสมัยนี่แหละปริยตัตปฏิบัติปฏิเวศกลมเกิงมาเนี่ยศาสนาถ้ามีแต่ปริยตัตศาสนาไม่เต็มบาทเต็มเต็งนะมีแต่ความจําอย่างเดียวปฏิปฏิบัติไม่มีปฏิเวศก็ไม่มีฮั่นธรรมดาต้องมีทั้งสามอย่างนี้ ศาสนาจิงจะสมมูรณแบบส่งมรรคผลนิพพานไม่ได้อืถ้าไม่มีความจําไม่ส่งมีแต่ความจําเขากับเราไม่ผิดกันอะไรเลยเรียนมากเรียนน้อยไม่มีปัญหาม่เห็นเป็นสาระประโยชน์อะไรดีไม่ดีเรียกว่านอนแท้กระดาษอไม่ได้มีภ้าปฏิบัตินีนะเรียนเฉยๆพระกบิดกท่านถูกถ้าไม่ผิดไปไหนแต่มันผิดที่บูติไปนอนแทกกระดาษเต็มไปด้วยความสงสัยไม่เชื่อตามหลักคณิติที่ท่านสอนไว้ในหนังสือเล่มเช แล้วเอากิเลสตัณหาก็ไปแทกแทกสงสัยนั่นนี่สุดท้ายก็เอากิเลสไปโลกมาบาบุญนรกสวรรค์พอมาโลกไม่มีทั้งๆ ท, ที่ท่านสอนมาตำราว่ามีกิเลสมันเข้าไปรบล้างจนหมดว่าไม่มีไม่มีเนี่ยสุดท้ายก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุไปอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เห็นไหมดูเอาทั้งท่านทั้งเอามันเหมือนกันหมดนั่นแหละพระองกิเลสมีในหัวใจแล้วเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วจะรู้กันเป็นลําดับลําดาไปนั่นแหละไม่สงสัยให้มาการตั้งใจปฏิบัตินะผมนี่เป็นห่วงเพื่อนว การเทศนาว่าการต่อหมู่ต่อเพื่อไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามผมไม่ได้สงสัยไม่ว่าจะเทศแบบไหนขั้นใดภูมิใดถอดออกมาจากหัวใจมาเทศนะไม่ได้เป็นหาเอาคัมภีร์สาทุไม่ได้ประมาทคัมภีร์นะแต่คัมภีรไหนนี่มันกระจักแจ้งแล้วท่านสอนอยู่คำภี์นอกก็สอนเข้ามาหาคำพีในนี่ไม่แล้วมันก็เป็นขึ้นในคำพีในแล้วไปถามที่ไหนอีกนี่การสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอน <c oughs> สอนด้วยตำหตำนับตําราเป็นอันหนึ่งนะผิดกันมากนะ สอนเอามาจากำตำหนักตำราเอามาจากความจำเจ้าของเองก็สงสัยการสอนผู้อื่นก็สงสัยหาความแน่ใจไม่ได้นี่ผู้ฟังจะเอาผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มเหมือมาจากไหนที่เมวลาเรารู้เราเห็นภายในจิตใจของเรานี่ถอดออกมานี้ด้วยความเต็มรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างไม่ว่าทำ ม, มากขั้นใดภูมิใดใดถอดออกมาจากหัวใจหัวใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยไม่สงสัยผู้ฟังก็เลยรับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยันะสินี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านเอาถอดออกหัวใจเอาทำออกมา จากหัวใจท่านจริงๆมาสอนโลกพระอาหารหันท่านถอดเอาทำมาจากหัวใจจริงมาสอนโลกพวกเราถอดออกมาจากความจําตามตำลับตำรามาสอนเอ า, าของก็งมรูปคำคำที่สอนคนอื่นก็รูลุงคําไปตามกันหมดเลยมหาหลักหาเกณฑ์มาได้นั่นงูงงปลาไปอย่างนั้นนะนี่แหละความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นศาสนาแทบอยู่ที่หัวใจอืมความจริงทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเมื่อรู้ตรงนี้รอบโลกท่านแล้วสงสัยอะไร ในโลกวันนี้ไม่สงสัยประจักษ์นี้ศาสนาพุทธเจ้าคือตลาดแห่งของนิพานชดดลล้นๆนะอาการดโกอาการดีโกฟังสิท่านพุทธเจ้ามีการสถ่อสารที่เวลาเวลาที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วแม้จะเกาะชายอวรลพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมคะอยู่นั่นแหละถ้าปฏิบัติแล้วพุทธเจ้าโภนิพานไปไหนก็ตามสวกัสะซัมจัดไปชอบแล้วนั่นนั่นแหละคือทางเดินนั่นแหคือแบบเปลนแผ่นปัน้งที่ถูกต้องทุกอย่างให้นําำมาปฏิบัติในจุดนี้ให้ดี แล้วจะเราจะเป็นผู้ทรงมากทรงผลขึ้นในตัวของเราวันหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะถ้าให้เดินไปตามร่องรอยที่ทรงแสดงแล้วเหมือนกับจับชายีวรพระพุทธเจ้าไปตลอดนะถ้าปล่อยการปฏิบัติให้เผลอไปตามหลักสวกค า, ารธรรมไปแล้วอยู่ประทับอยู่กับผู้เจ้าก็ไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรโมฆะบุรุษโมฆะปิสูรนั้นพากันตั้งใจปฏิบัตินะเอาจริงเอาจังนะนี้ผมก็จวนตายมาแล้วเพราะงั้นธรรมะ ที่สอนโลกคราวนี้รู้สึกอย่างมันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นดวงชาตาวาสนาของโลกก็อาจเป็นได้หรือเป็นอะไรกับเรามากก็เป็นได้เรื่องความเมตตาสําคัญมากที่เราจะได้ไหวตัวออกมาเป็นผู้นําพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าทําประเภทเหล่านี้ที่เราเราจะนํามาแสดงให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้ทราบนะมันก็ออกมาด้วยความบดบันดาลอย่างที่เห็นนี่แหละออกมาเมื่อออกสนามแล้วมันขึ้นเวทีแล้วมันต้องต่อยสิ เดี๋ยอยู่เฉยไม่ต่อยมีความสามารถขนาดไหนมันก็ไม่ต่อยอยู่ในภายในนั้นนี่ความรู้นี่เต็มหวัวใจมาแล้วก็เคยได้พูดถึงหมู่พุ่นฟังแล้วนี่นาวะ <c oughs> ยกจนกระทั่งถึงวันสถานที่เดือนปีนุ่นนะไม่ใช่ธรรมดาเคลื่อนข้าที่ไหนมาเอฟ า, า ต, ตั้งแต่วันที่ 5, ที่ห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยกสิบสามบนหลังบดอยทํามเจดีเวลาห้าทุ่มนั้นเป็นเวลาเผาศพกิเลสประหนึ่งว่าโลกธาตุ สะเทือนสะท้านไปหมดเลยนะเป็นนี่หัวใจนี่แหละแต่ประหนึ่งว่าหัวใจนี้กับกิเลสทาาจากกานันนี่ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดนั่นน่ะธรรมธรรมดามันก็อยู่อย่างนี้แล้วตรงไหมว่เขาก็อยู่ธรรมดาแต่ระหว่างจิตกับกิเลสกับทำฟัดกันขาดสะบั้นจากกันนี่นี่แหละเวลากิเลสขาดสะบั้นหงายลงไปได้เผาซุกกิเลสนี้เมื่อปะหนึ่งว่าโลกธาตุนี้วันไปหมดจริงๆรนะจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหโอ้โห น้ำตาลล้วงพรากลงทันทีเลยนะโอ้โหหาธรรมหาที่ไหนหาที่ไหนทําอยู่ที่ไหนทําอยู่ที่ไหนน่นนะอุทานขึ้นมานะแล้วก็ว่าเราหาธรรมแบบกฎสะพายบาดขึ้นเขาลุกนั่นลุกนี้แล้วก็ว่าเราหาธรรมหาธรรมทาอยู่ที่ไหนน่คือเวลามันรู้แล้วมันทําอยู่ที่นี่อที่เราดําเนินนั้นก็ถูกถูกเป็นระยะระยะไปที่เรามาเอาอย่างจังๆว่าทําอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่เห็นแล้วที่นี่อ๋อเราก็มีวาสนา <c oughs> อยู่บ้างพอประมาณนะเราไม่เคยเคยคิดเคยคาดว่าเราจะรู้จะเห็นแม่นิพานเราเคยเคยคาดว่าเห็นจะเป็นอย่างานั้นอนี้ทีนี้เป็นยังไงไหมไเรื่องนิพานกับธรรมชาติอันนี้เข้ากันได้ยังไงหรือไม่นั่นหายสงสัยทันทีธรรมชาติที่เป็นอยู่หัวใจของเรานี้กับคำว่านิพานนิพานนั้นรู้สึกว่าหยาบมากนะธรรมชาตินี้คาดมาได้เลยแต่ก็ต้องเอาชื่อนั้นเอามาใส่หรือมหาวิมุติมหานิพานเลยเลยเล ย, ยเป็นเรื่องหยาบไปหมดเลยนะถ้าว่า ธรรมธาตุแันเออเข้ากันได้สนิทนะนี่มันประจักษ์ในหัวใจเพราะว่าธรรมธาตุเท่านั้นเนเข้ากันได้สนิทหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหรันอรหรันทั้งหลายทุกๆพระองค์พอถึงขั้นนี้แล้วปัาบนี่เป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดแต่ก็ต้องเอาใช้ชื่อเพราะโลกนี้มีสมมติก็ต้องชื่อว่านิพพานหรือมหาบิมุติมหานิพพาน <c oughs> แต่ข้าว่าธรรมธาตุไม่ค่อยมีใครพูดเราถอดออกมาพูด โดยไม่สงสัยอ๋อนี่ธรรมธาตุแล้ว <c oughs> เป็นอย่างนี้ฮั่นนี่แหละผลของการปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมไม่เคยปรากฏว่ากิเลตตัวใดถ้าเป็นหิเม็ดทาที่จะมาแซ่บให้ เ, เกิดความสงสัยเอออกิเลตเราเนึกว่าเขาจบมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมันยังโทให้เราเห็นอย่างนี้ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยสงสัยด้วยเพราเรื่องสงสัยนี่มันเป็นเรื่องมันจะหลุดพ้นยังไงมันสงสัยอยู่นั่นน่ะเออมันขาดตะบันไวแล้วสงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมติ อดีตอนาคตเป็นเรื่องสมมูิธรรมชาตินั้นไม่มีอดีตอนาคตไม่มีสมมูลแล้วจะเอาความเสืม่มของเรามาจากไหนเรียกได้คําเดียวว่าธรรมชาติพอหันประจักษ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วจะสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เคยปรากฏนี่แหละที่นํามาสอนโลกส้อนที่แรกเราก็สอนไปเป็นขั้นเป็นตอนธรรมดาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนกับสอนธรรมดาแต่เราไม่ได้บอกออกประกาศเหมือนอย่างที่นำคาดคราวนี้ว่าเราได้รู้ได้เห็นนะเนี่ยคราวนี้ได้ออกแล้วนะ ออกมาให้โลกที่มีหูมีตาอยู่บ้างได้คิดได้อ่านพิจารณาได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนไอ้พวกที่กองทัพกิเลสหูหนาตาทึบนั้นมันก็มีแต่คัดข้านต้านทานยาสนใจกัมนมคนที่ดียังมีอยู่เราสอนเพื่อคนที่จะเป็นสารประโยชน์คนที่หมดคุณค่าไร้คุณค่าแล้วเราไม่สนใจปทาปาระมะปล่อยทีเดียวเลยนี่แหละที่เรานําออกมาสอนเนี่ยที่ว่าเปิดเนี่ยบางทีพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีความมิตกวิจารว่าเรา ไม่อยากให้พูดถึงขนาดนั้นะไม่พูดยังไงว่างั้นเลยนะเราขึ้นทันทีเลยนะเฮ้ยคือว่าพูดเช่นว่าสำเร็จโลอาหลารอย่างที่เขียนไว้นั้นแหะแม้จะถึงจะพูดว่าเราเป็นคือพระดานองค์หนึ่งนี้จะผิดไปไหนอย่างนี้นะแล้วเหมือนเป็นความสเสียดจันเลเสียดจันเลขบกิเลสานี่นทำนั่นจะเป็นอะไรข เ, าเไรขทาทำเป็นอย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันตรงค่าศึกของธรรมต่างหากไม่ให้ให้พูดอย่างนั้นเอนั่นเห็นไหมกิเลสมันว่างั้น ที่ครูบาอาจารทั้งหลายบอกผมก็เคยได้ยินวก็ไม่อยากให้ผมพูดอย่างนั้นว่าโอ้ยอย่ามันอย่ามาห้ามนะว่ากิเลสมีสมเดือนเราก็ทานให้มาว่างั้นเลยเวลานี้หัวใจเราเต็มด้วยทําครอบโลกทาตแล้วจะไม่ให้เราพูดอย่างไรพระพุทธเจ้ารู้ได้เห็นได้พูดได้ทํำไมเรารู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเราพูดไม่ได้วะว่างี้เลยเอากิเลตัวไหนที่มาคัดค้านต้านทให้มาโบกมือหามันเลยเวลานี้ทําแต่หัวใจครอบโลกทาตแล้วกิเลตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลย คืฟาดมันหงายหดทั้งโคตมันลงทะเลนู่นว่ะนี่ยเห็นไหมกล้าหาญไหม <c oughs> นี่แหละทำท่าลมได้ขึ้นเต็มหัวใจแล้วกิเลสมอบทั้งหมดไม่มีตัวไหนจะมากล้าถึงจะกล้าซ้าถึงจะต้านทานก็ลมปากของพวกกิเลสต่างหากเราไม่ได้มีอะไรกับนั่นนะเป็นเรื่องของเขาต่างหาเรื่องของเราไม่มีมิตรความเมตตาสงสารพูดให้เขาโอเเข้าใจเพื่อเป็นคติเครื่องจนใจได้รับผลประโยชน์ตามการแสดงนี้เท่านั้นไอ้เรื่องความอยากโอ้อวดเอาอยากมาจากไหนนั่นก็มีเท่านั้นเอง <c oughs> เนี่ยถึงได้เปิด ปีนี้เปิดออกเรื่อยๆนะว่างความเลยนี้ก็ยังไม่ได้นั่นนะอืมเราที่ได้กล้าพูดไว้ว่าการเทศนาว่าการสั่งสอนโลกมานี่ก็เป็นเวลาที่ออกเปิดเผยอย่างนี้เป็นเวลาร่วมสองปีมาแล้วนะล้วคนทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอาจจะคิดว่าเราเทศมานานมานานนี้ธรรมะจะอ่อนลงอนลงยาเข้าใจผิดนะว่างนี้เลยเไม่ได้แน่นะว่ะแล้วแต่เหตุการณ์เขามาผ่านสามเดนโลกธาต น, นี้เอาตัวไหนเจ่นเข้ามา ทำมาจะออกรับปันตันเทียนเตีเลยดีไม่ดีนี่เพียง์จอนลงขาดสะบั้นไปเลยเวลานี้นี่เคลียงจรยังไม่ได้ย้อนนะแะ้วว่างี้นะแล้วพูดโก่งๆนี่นะ่ะสะพายไปไหนนี่เคลียงจรมันก็ติดย่ามเตี๋ยย่ามดึงออกไม่ยอมออกนะว่ามันไม่ควรที่จะออกมันก็ไม่ออกเนี่ยพอถึงขั้นที่จะออกแล้วเอาไว้ไม่อยู่ขาดสะบั้นลงเลยเหมือนเขาทอดแห่นั่นเองเอกลางแหไปที่จะทอดมองไปที่ไหนมันมีแต่ขี้มูราขี้มาแห้งอย่างมากกัปซิลกับแห่ผืนหนึ่งแนละ้วมันคู่ควรกันหรือ ทอดลงไปพันหนึงกับขี้หมูขี้หมานั้นแล้วเอาแหะมาล้างทั้งวันมันเข้ากันได้ไหมคุณค่าของแหาราคาเท่าไหร่และขี้หมูขี้หมาไม่มีราคาอะไรบ้างควรวหรือที่จะไปทอดแหกับขี้หมูขี้หมานี่ธรรมะประเภทนี้เทียนตอนก็อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อ <c oughs> มันยังไม่ควรที่จะลงไม่ลงท้ำยังก็ไม่ลงพอถึงการเวลาที่ควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกขาดชาวบ้านลงไปทันทีเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อวดเราพูดเต็มหัอกของเรา <c oughs> เพราเราจวนจะตายแล้วให้โลกได้เห็นความของจริงของบุริเจ้าศาสนาเป็นของจริงบ้างมีจะเอามาพูดงูปล า, า, ากันอืมจาได้เท่าไรก็กมาพูดของจริงไม่ปรากฏในหัวใจไม่พูดมันจะมีน้ําหนักที่ตรงไหนสุดท้ายศาสนา ก, ก็กลายเป็นคำภีร์บาลานกลายเป็นเข้าไปอยู่ในตู้ในหีบเลาะกงินแจไว้ออกมาเป็นท่านมาได้นะมีจะกิเลสตีตลาดแหลกหมดเท่านั้นดิเพราะงั้นทำจึงเอาออกมาบ้างที่เมื่อมันปรากฏในหัวใจแล้วทําเป็นของจริงทำไมออกไม่ได้วะ เราจึงออกมาทอออกมาจากหัวใจเทศสอนโลกนี่เราพูดจริงๆเราเรียนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ทอออกมาจากตำราเราทอออกมาจากหัวใจของเราออกมาเทศสอนเนี่ยเราจึงไม่เคยเจอโลกทานไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดที่เชว่าจะมาติดโลกเถียงสารนี่ใครจะมาถามปัญหาอะไรติดนี้เราไม่เคยฉิดเฮอถึงกัเขาจะเราจะติดเขาว่าเราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขามาถามเราก็ไม่ได้ติดเราเนี่ยเมื่อเราไม่ติดเราสัอย่างเดียวฉะนั้นเราจะติดอะไรในโลกทานนี้นั่นมันก็มีเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วเจา้าเนีพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างนี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องชาวพูดทั้งหลายเราทราบว่านี้ทําของจริงบุริเจ้าคงเช่นคงวานนะอย่าพากันเป็นบ้าบ้ามื่อคนนี้พานสิ้นเขตสิ้นสมัยนะข้าส่งไว้นี่เห็นไหมอย่าว่างั้นนะเออเต็มหัวใจเนี่ยครอบรกชาตินั่นนะมันชอบมาได้สี่ที่แปดสี่สิบเก้าปีตั้ันสก้าสิบสามทั่งป น, นี้แต่ทําไม่เคยหิหวโหยนี่นะเออมีก็เหมือนไม่มีแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาสัมผัสพอจะเป็นประ์แก่ผู้มาเกี่ยวข้องก็ออกออ ก, ออ ก, ออกตามามคันํู <c oughs> แต่นี้มันก็มีความจําเป็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมอยู่แล้วทําไงทางด้านวัตถุก็จะล่มจะจมอยู่แล้วทางด้านจิตใจ ย, ยิ่งแล้วทีนี้เวลาออกก็ต้องออกทั้งสองด้า น, นสิทางด้านวัตถุก็อย่างที่เห็นนี้แหละเอบินธ บ, บาติอ่บรรดาพี่น้องทั้งหลายมาช่วยซ่อมแซมสิ่งที่มันบกพร่องอไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ที่มันจําเป็นจริงๆก็คือว่าด้านจิตใจนี่ล้มเหลวมากนะ ชาวพุทธของเราจรึงได้ฟื้นในทางด้านจิตใจไปที่ไหนเทศทางด้านจิตใจนี่มากมากทํามาเรียกกระจายเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเวลานี้กระเทือนทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะอธรรมะประเภทเหล่านี้แต่ยังมาถึงแบบนี้เคลียร์นิจจ์นเราก็บอกคงนี้แหละถึงขั้นนี้เคียร์นิจจ์มันจะออกมันเองนะวะ่ามันไม่ไเคยว่ากล้าว่กลัวใครนะสามเดืนโลกก็ทานนี่กลัวอะไรมิถะังขยะกลัวอะไรทําเป็นถังขยะหรือทําเลิศก็ถังขยะแล้วจะมากลัวทังขยะมากล้าจะสั่งขยะอะไร เรื่องโลกของมีโลกมีกิเลสโลกทั้งขยะทั้งนั้นนี่นะทำท่านเลือเล่อเลอขนาดไหนสายตาของทำมองดูโลกนี่เหมือนมองดูทงังขยะนั่นเองแล้วจะมากลัวทั้งขยะหยาอะไรมากล้าทังขยะหาอะไรทําคําเลือเล่อเลอจริงๆแล้วง <c oughs> ั่นเป็นอย่างนั้นนะพาะกันตั้งองค์ตางใจนะเวลานี้ศาสนาของเรานี่เราสลดสังเวชที่ได้ยินคํา ผู้ที่มีเจตนาดีต่อเรานะั้นเรามาพูดาหาที่ต้องถือคำมาได้เขาเป็นผู้มีเจตนาวังดีอุปรรถัมบทาบํารุงศาส น, นาแล้วมาพูดแล้วสะเทือนใจเรามากนะเขาพูดถึงเรื่องว่าศาสนาก็คือพริกษูนี้เป็นหัวหน้าให้ความร่มเงย็นแก่โลกแก่สงสารเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธเรามานมนานเชาวพวกชาวพุทธทั้งหลายก็ถือเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ใต้ร่มโพรเมใสแห่งพระเจ้าพระสงค์เขาวางกันนะ คั้นเวลานี้มานี่ดูพระสงฆ์นี่เลยกลายเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาไปมากแล้วนั่นแล้วจุดท้ายเาก็ขยนออกมาว่าพระนี่เป็นอันหนึ่งในการทำลายศาสนาว่างั้นฟังสิน่ะมันน่าอายเข้าไหมพระนี่เป็นอันตรายอันดับหนึ่งในการทําลายชาติศาสนานั่นทําไมฟังพี่นายจีทำลายแบบเงียบๆว่างี้นะแบบไม่ต้องมีกระตอกกระตายไม่มีปีนี่ขุยไม่มีอา่า ปืนผาน้าไม้แหละไม่มีดังเเคี้ยวดังเกากรอบแกรบแล่ะแต่มันกืนอยู่ภายในกึนภายในจมอยู่ภายในเโสกมกอยู่ภายในว่างั้นนะต่างคนต่างทำลายอยู่ภายในภายในเนี่ยเวลานี้ศาสนา น, นี้จะจมพระพระสงฆ์เป็นผู้ซ้ำเป็นเป็นผู้พาให้จมเป็นระดัหนึ่งเขาว่างไงเราสรุดสังเวช น, นะฟังแล้วพิจนาสี่หมู่เพื่อนว่างไงเขาพูดตำหนิเขามาได้นะถ้าเรามันเป็นอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมด นั่งอยู่เวลานี้มันก็เหมือนกันจะให้ว่าไง <c oughs> ถ้าจะคิดให้คิดถ้าจะแก้ให้แก้นะต่างคนต่างนั้นยาเป็นผ้าหน้าด้านนักศาสนาทำลายศาสนานะออผ้าเรานี่หัวเราโล้นเป็นเพศที่ลมเย็นถ้านทำไมาจึงกลายเป็นอันตรายของชาติบ้านเมืองแนละ้วศาสนาได้เนี <c oughs> ่ยก็ะเพาะความเลีวแหลกแหวกแนวของกิเลสมันขยี้ขยําหัวใจพระให้แสดงออกเป็นฟืนไฟ ต, ต่อชาติศาสนานั่นเองอันตรายบา่พพิจาณ น, นะข้อนี้ผมฟังแนละ้วผมสรุปทางเวทนะเ อ, อเขาพูด หาที่ตำหนิเขาไม่ได้นะเขาเป็นผู้เคารพนับถือศาสนาเขาเป็นห่วงเป็นใหญ่เขาก็จะเห็นอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นเองเขายังมากล้าพูดได้ยังไงเขาไม่เห็นก็ามาพูดได้ยังไง <c oughs> เห็นพระเป็นเพื่อนพันธ์น่านทํารายศาสนาอยู่ทุกแห่งทุกหตนตําบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันอดไม่ได้มันก็ต้องคิดที่คนเราอาจอันจ้น จ, จานใจจะตายก็ามาระบายกับครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือนั่นเขาก็มาเล่าให้ฟังไอ้เราก็ฟังแล้วสะดุดเก้กเลยเทยวนะ่ะโถขนาดนี้เท่าเลยวะ ฮั่นพระคันพิจารณานะอย่าให้เป็นอันตรายต่อศาสนาไม่เคยเป็นอันตรายต่อโลกเราเป็นเป็นพระเป็นผู้นำประชาชนอย่าเป็นอันตรายต่อประชาชนเป็นอันตรายต่อชาติต่อศาสนานะให้เป็นที่ดีมงคลเป็นที่ร่มเย็นไปที่ไหนเมืองไทยแล้วเนี่ยบ้านไหนก็ตามไม่มีวัดมีวานี่แห่เหี่ยวแห้งจิตใจนะไปที่ไหนก็ต้องสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาเพื่อมีร่มโพรีโอมไซเป็นที่อบอุ่นร่มเย็นนั่นน่ะมันเป็นอย่างงั้นนะ แต่พระกลายเป็นจนเป็นมารเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองจริงๆแล้วจะให้เขาพึ่งใครให้เราพิจารณาสิเรื่องเหล่านี้น่าพิจารณาเอามากนะเอศาสนาจะจมไปด้วยพวกเราเนี่มันได้มันมันมีอย่างเหนือว่าว่าพวกเราเป็นผู้นําของการของการบําเพ็ญศาสนาแล้วกลับมาเป็นพุ้นนะผู้นําในการทําลายชาติศาสนาของบ้านของเมืองแล้วเ ป, เป็นเป็นมันมันน่าฟังไหมพิจารณาสิ <c oughs> นี่แหะผมสรุปสองเวีนเนี่นะให้พากาพันพิจารณาตั้งออกตั้งใจ ข้างหน้าต่างตาปฏิบัตินะ่ะนี่ผมยิ่งแก่ลงทุกวันทุกวันเป็นห่วงเป็นใหญ่โลกห่วงมากทีเดียวเวลานี้เพราะว่าการแสดงธรรมจึงมีหนักมีเบาอื<ม>เพราะความห่วงใหยเพราะความเมตตาตการแสดงธรรมนี้ก็วันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วอะละพออนี้พูดไปพูดมาคอแหบถ้าเราดูที่นาฬิกาฮะมันดูไม่ออกนั่นนะ่ะอะไร สองทุ่มสามสิบเจ็ดครับผมสองทุ่มสามสิบเจ็ดนี่เทศเป็นเวลาเท่าไหร่ประมาณทุ่มชั่วโมงสิบนาทีใช่ไหมสิบห้นาทีสินาทีเทศวันนี้มีแรงหน่อย <c oughs> นี่ก็เทศธรรมานี่แล้วมันหักไปน้ำมันเองมันเล่นหน่อยเ<ม>หนื่อยมีเหนื่อยมีใครบ้างมาแอบฟังดูตามนั่นนะทเทศแล้วพระฟังร้อนร้อนหกเซเม็รตําหน่วยมีพวกนี้มาแอบฟังจนได้ละ มันก็ไม่เต็มเมเต็มหน่อยแล่ะแท้สอนพระไม่เหมือนสอนคณะว่านนะแต่สอนพระมีแกงหมอ้อจิ๋วนั่นสิวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นหมอ้อกิ๋วนะเป็นเพียงแกงหมอ้อเล็กเท่านั้นแหละไม่ได้ขึ้นหมอ้อจิว๋วอะแกงหมอ้อใหญ่ก็สเปรย์สปาไปทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้